โลกิยะสารณคมกับโลกุตระสารณคมเราก็ได้กล่าวถึงโลกุตระสารณคมไปแล้วว่าเป็นสารณคมของพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นการถึงสารณคมของพระอริยเจ้ามีพระโสดาบันเป็นต้นท่านเหล่านั้นเพราะว่าท่านเห็นพระนิพพานแล้วสารณคมของท่านจึงเป็นสารณคมที่ประเสริฐสูงสุดและก็ เป็นสระคมที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าก่อนที่จะถึงโลกุตระสระคมนั้นก็ต้องผ่านโลกิยะสระคมก่อนโลกิยะสาระคมนั้นเป็นสาระคมที่มีพระพุทธคุณเป็นต้นเป็นอารมณ์มีคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นอารมณ์มีคุณของพระพุทธเจ้าว่า พระผู้มีพระภาคนั้นพระองค์ทรงเป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะผู้เสด็จไปดีแล้วความรู้ความเข้าใจลักษณะนี้แหละเป็นความรู้ความเข้าใจที่มีพระพุทธคุณเป็นเป็นอารมณ์แล้วก็การที่จะมีพระพุทธคุณเป็นต้นเป็นอารมณ์นั้นย่อมสําเร็จแก่ปุถุชนทั้งหลายด้วยการถึงสารณะ ขณะที่สภาพจิตนั้นมีพุทธคุณเป็นอารมณ์และก็ด้วยการขม่มอุปกิเล์คือขม่มโลภะขม่มโทสะขม่มโมหะเป็นต้นในขณะที่สภาพจิตนั้นมีพระพุทธคุณเป็นต้นเป็นอารมณ์อ่าไม่ทราบใครเคยเจริญพุทธานุสติกรรมฐานบ้างหรือว่าสวดมนต์เนี่ยเช่นเช่นเราสวดมนต์ใช่ม สวดมนว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธแล้วก็ขณะที่สวดสวดด้วยความรู้สวดด้วยความเข้าใจอ่ะสภาพจิตลักษณะนั้นแหละชื่อว่าเป็นจิตที่มีสาร ะ, ะสภาพจิตที่ถึงสารนะนะนะก็คือสภาพจิตที่มีการสวดมีการกล่าวมีการตามระลึกนึกถึงคุณด้วยความรู้ความเข้าใจนั้นโลกยาสาระคมนั้นโดยความหมายมีอยู่สามอย่างด้วยกัน อย่างหนึ่งเป็นการได้เฉพาะซึ่งศรัทธาในวัตถุทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะเป็นศรัทธาในวัตถุที่ประเสริฐสูงสุดคือพระพุทธคุณและก็เป็นสัมมาทิฏฐิมีศรัทธาในวัตถุทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นมูลนะการถึงไตรสรณาคมนั้นเป็นบุญกิริยาวัตถุข้อที่ถูกชัว ก, กรรมในบุญกิริยาวัตถุทั้งสิประการ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ถึงไตรสารณคมจริงๆเนี่ยมีลักษณะมีความหมายอยู่สามอย่างนี้ด้วยกัน น, นะว่าผู้นั้นเนี่ยถึงสารณคมจริงๆไหมอันดับแรกก็ให้เอาว่าเขาได้เฉพาะเขามีศรัทธาในพระพุทธคุณเป็นต้นไหมันนะั้นนี่ทำให้เรารู้ว่าผู้นั้นมีมีสารณคมไหมหรือว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็น เป็นอารมณ์ก็ได้ต้องมีพระคุณนะไม่ใช่มีเนื้อหนังมังสาเป็นอารมณ์นะแต่มีตัวพุทธคุณะ่ะอ่าถ้าพุทธคุณนี้องค์ทาได้แก่พระบริสุทธิ์ที่คุณหนึ่งนะพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณเราเข้าถึงคุณอันนั้นของพระพุทธเจ้าไหมถ้าเข้าถึงลักษณะนั้นแหละเรียกว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นเป็นสารณะนะหรือมีพระธรรมธรรมคุณเป็น เป็นอารมณ์ธรรมคุณได้แก่หนึ่งพระปริยัติธรรมสองอริยมรรคอริยผลและนิพพานถ้าเรามีพระปริยัติธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเป็นต้นเนี่ยเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยลักษณะนี้แหละชื่อว่าก็มีพระธรรมเป็นสารณะถ้าพระสงฆ์ถ้าเราจะถึงพระสงฆ์เนี่ยเป็นศรัทธาในพระสงฆ์ในศรัทธาอะไรท่าน สถานในความสุปฏิปันโนเป็นผู้ดำเนินปฏิปทาที่ทดีดียังไงก็คือไม่สุดต่งเป็นอัตากิระมัานุโยคเป็นกามสุขาริกานุโยคแต่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้รู้อริยสัจเหมือนกับในฉชะฉช ะ, ะสูที่กล่าวไปผู้ที่ปฏิบัติตามนั้นจนได้เป็นพระอรหันต์ลักษณะนั้นแหละเป็นสุปฏิปันโนนั่นแหละชื่อว่าปฏิบัติดี เราพอมองเห็นทางปฏิบัติของพระพระสงค์ไหมนั่นแหละถ้าเราอ่านในเรื่องชาชะกสูตรหรือสูตรอื่นๆก็ตามอ่านจนมีความรู้ความเข้าใจมองเห็นทางปฏิบัติของท่านน่ะลักษณะนั้นแหละชื่อว่ามีพระสงค์เป็นสารณะนึกถึงในความปฏิบัติดีของท่านท่านปฏิบัติตรงตามนั้นจริงๆท่านปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งอริยมรรคจริงๆท่านปฏิบัติทำสมควรแก่ทำจริงๆ ลักษณะนี้แหละชื่อว่ามีศรัทธาในพระสงฆ์มีศรัทธาในพระสงฆ์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่เข้าใจในสังฆคุณจริงๆเนี่ยคนจะไม่มีพระสงฆ์เป็นสารณะเลยก็จะมีแค่แค่อะไรก็มีแค่คำกล่าวเฉยๆโดยที่ไม่เข้าถึงจริงๆ แล้วก็การที่จะเป็นถึงไตราสารณาคมนั้นต้องเป็นสัมมาทิฏฐิแสดงว่ามีกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิดีจ ร, จริงจริงจึงจะถึงไตราสารณาคมถูกต้องแต่ว่าผู้ที่ถึงไตราสารณาคมนั้นถึงยังไม่มีปัญญาประกอบอะไรมากมายนักแต่ถ้ามีศรัทธาในในพระสงฆ์ยิงกเอในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ยิงๆก่ง็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ถึงไตราสราระเหมือนกัน อย่างจะขอยกข้อความในคาถาธรรมบทนะเรื่องนายทารุสากติกะภาษาสดาเมื่อประทับอยู่ที่พระวิหารเวโรวันทรงปรารบบุตรของนายทารุสากติกะตรัสประธรรมเทศนานี้ว่าสุ ป, ปะพุทธังเป็นต้นความพิสดารว่าเด็กในพระนครราชครึกสองคนคือบุตรของบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิคนหนึ่ง คือบุตรของคนที่มีความเห็นตรงกับบุตรของบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกคนหนึ่งเด็กสองคนน ะ, ะเล่นคลุบอยู่ด้วยกันเนืองๆในเด็กสองคนนั้นเนี่ยบุตรของคนผู้เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อจะทอดขลุบระลึกถึงพระพุทธานุสติแล้วกล่าวว่านะโมพุทธสัจจึงทอดขลุบเวลาเขาจะโยนหรือจะเล่นไปปุ๊บเนี่ยเขานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วค่อยค่อยโยนใช่ไหมค่ะค่ะกันเล่นหยอดหลุมอย่างเงี้ย มว่าคนที่จะโยอดปั๊บนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าปั๊บแล้วก็นะโมพุทธสัคขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าแล้วก็โยนไปเนี่ยเด็กส ม, มาธิถีเนี่ยเขาจะนึกถึงคุณเสร็จแล้วก็กล่าวอย่างนี้เด็กนอกนี้ระลึกเฉพาะพระคุณทั้งหลายของบวกเดรธีเขาก็นึกถึงอาจารย์ของเขาอะ่ะแล้วก็กล่าวว่านะโมอรหันตานังขอนอบน้อมแก่พระอรหันต์ของเขาอะ่ะซึ่ง คำว่าอรหันเนี่ยที่จริงน่าจะเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าใช่ไหมแต่เขานึกถึงเจ้าลัทธิศาสนาของเขาว่าคนนั้นแหละเป็นเป็นพระอรหันของเขาคำเนี่ยดูเหมือนใช่เลยนะแต่อัตตะไม่ใช่มันคล้ายๆกับเราไปไปเห็นคนลวงโลกสักคนหนึ่งอ่ะนะเขาอ้างตัวว่าเป็นพระอรหันอย่างเงี้ยแล้วเรานึกถึงเขาอ่ะนึกว่าเขาเป็นพระอรหันจริงๆอย่างนั้นก็ไม่เชื่อว่าถึงพระอรหันจริงๆเพราะเพราะเข้าใจผิดไป เด็กคนนี้ก็เหมือนกันขอนอบน้อมแด่แก่พระอระหันต์อย่างนี้ก็อรหันต์ปลอมเหมือนกันแท้แล้วจึงทอดในเด็กสองคนนั้นบุตรของบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฐิก็ย่อมชนะเด็กคนนี้ย่อมพ่ายแพ้บุตรของบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฐินั้นเห็นกิริยาของบุตรผู้เป็นสัมมาทิฐินั้นก็แล้วคิดว่าเพื่อนคนนี้ระลึกแล้วอย่างนั้นแล้วกล่าวอย่างนั้นทอดขลุกจึงชนะเราแม้เราก็จะทําอย่างนั้นบ้าง ลองคิดตามดูที่เขาเล่นแล้วเขาชนะเราเพราะเขาว่าคาถานี้เอ๊เราว่าบางอาจจะชนะเด็กคนนี้ก็เลยสะสมพุทธานุสติแล้วก็ไปทีนี้ภายหลังวันหนึ่งบิดาของเด็กผู้เป็นสัมมาทิฐินั้นก็เทียมเกวียนแล้วก็ไปเพื่อต้องการไม้คล้ายๆกับคนในเมืองใช่ไหมออกไปหาตัดสรงตัดฟืนตัดไม้ข้างนอกอะเพื่อมาทําบ้านทําเรือนอย่างนงี้ แล้วก็พาเด็กนั้นไปด้วยบรรทุกเกวียนให้เต็มแล้วด้วยไม้ในดงถ้าเชียงใหม่เราก็สมัยก่อนเนี่ยมันมีกำแพงเมืองใช่ไหมก็ขับเกวียนออกไปข้างนอกเมืองก็ไปในป่าไปตัดไม้สุงมาใส่เกวียนมาอย่างเงี้ยทีนี้ขับมาถึงภายนอกเมืองก็ปล่อยโคไปในที่ที่สำราญด้วยน้าในที่ใกล้ป่าช้าแล้วก็ทำการจัดแจงพัด น, นะพอบรรทุกเกวียนมาแล้วก็ นั่งทานข้าวกันก็ปล่อยวัวไปหาน้ำหาหญ้ากินลาดับนั้นโคของเขาก็เข้าไปสู่เมืองกับหมูคโคที่เข้าไปสู่เมืองในเวลาเย็ยนวัว น, นี่เห็นวัวตัวอื่นๆเข้าเมืองเ้าก็เดินตามดุ่มๆๆกลับบ้านเลยฝ่ายนายสากติกะเที่ยวติดตามโคอยู่ก็เข้าไปสู่เมืองอวัวก็เดินเข้าออตามเมืองไปด้วยขณะนั้นเป็นเวลาเย็ยนแล้วพบโคลแล้วก็จูงออกไปอยู่ไม่ทันถึงประตู เมื่อเขาไปยังไม่ทันถึงนั่นแหละประตูก็ปิดคือประตูเมืองสมัยก่อนเนี่ยเปิดปิดเป็นเวลาสมมติถ้าห้าโมงเย็นเนี่ยเป็นเวลาประตูเมืองปิดอย่างเงี้ยใครคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้านะถ้าปิดแล้วเนี่ยไม่มีทางเปิดถ้าจะเปิดได้ก็ถ้าจะเปิดได้ก็เป็นองค์การของกษัตริย์เท่านั้นเองเป็นคําสั่งจากกษัตริย์จึงจะเปิดได้ถ้าธรรมดาแล้วเปิดไม่ได้ทีนี้ขณะนั้นบุตรของเขาพูดเดียวเท่านั้นก็นอนแล้วภายใต้แห่งเกวียน ในส่วนแห่งราตรีพอกลางคืนมาเด็กมันก็ไม่รู้จะไปไหนก็เลยเข้าไปซุกใต้ท้องเกวียนนั่นแหละใครขากะสบายนี้ก็นอนใต้ท้องรถอ่ะเพราะรถไม่มีรังค า, างแล้วก็หลับไปก็ในเมืองราชเครกแม้ตามปกติก็เต็มไปด้วยอมนุษย์อมนุษย์ก็คือไม่ใช่มนุษย์พวกผีพวกยักษ์พวกอะไรเนี่ยเยอะที่เมืองราชเครกเนี่ยอันหนึ่งเด็กคนนี้แล้วก็นอนที่ใกล้ป่าป่าช้าด้วยพวกอมนุษย์ที่ใกล้แห่งป่าช้านั้นเห็นเขาแลว้ว อมนุษย์ตนหนึ่งก็คือยักษ์ตนหนึ่งนะผู้เป็นมิจฉาทิฐิเป็นเสี้ยนน้าต่อพระศาสนาอมนุษย์ตนหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ก็เป็นเพื่อนกัน่ะนะผีสองคนผีคนหนึ่งนับถือพระพุทธเจ้าอีกคนหนึ่งไม่นับถือในอมนุษย์สองคนนั้นอมนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฐิกล่าวว่าเด็กคนนี้เป็นอาหารของพวกเราพวกเราจะเคี่ยวกินเด็กคนนี้นะนะคิดตามภาษายัญ่ะ อามนุษย์ผู้เป็นสัมมาทิฐินอกนี้ก็ห้ามอามนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฐินั้นด้วยคําว่ายาเลยท่านอย่าชอบใจเลยยาเลยเพื่อนองนั้นอามนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฐินั้นแม้อันอามนุษย์ผู้เป็นสัมมาทิฐินั้นห้ามอยู่ก็ไม่เอือ้อเฟื้อถ้อยคําของเขาก็จับเท้าเด็กเนี่ยคร่าออกมาในขณะนั้นเด็กนั้นก็กล่าวว่านะโมพุทธสัจแล้วลึกนึกถึงพุทธเจ้าปุ๊บกล่าวเลยนะตื่นมาพอได้ยินก็กล่าวเลยเหมือนกับ เด็กบางคนน อ, อกาศาสนาใช่ไหมตื่นมาบ้างเขาก็ว่านับถือพระเจ้าของเขาไปอะไรไปของเราเด็กคนนี้ก็เป็นลักษณะนั้นเพราะความที่ตนนี้เป็นผู้สังสมในผู้ธานุสติสมัยเล่นคลุบมากๆหเวลาจะทอดทีก็นะโมพุทธะนะก็ละลืกลักษณะนี้บ่อยจนชิน อ, ะอ่ะมนุษย์นั้นก็กลัวภัยใหญ่คือด้วยพุทธคุณอ น, นันเนี่ยอมนุษย์ก็เลยกลัว ได้ถอยไปยืนอยู่แล้วมันคล้ายๆกับผีจะอำบางคนแล้วก็ระลึกนึกถึงพระพุทธคุณใช่ไหมเสร็จแล้วก็ปล่อยได้ออกได้อย่างไงครั้งนั้นอมนุษย์ผู้เป็นสัมมาทิฐินอกนี้ก็กล่าวกับอมนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐินั้นว่าพวกเราเนี่ยทำสิ่งที่ไม่ควรเสียแล้วพวกเราจงทําธัณฑกรรมเพื่อเด็กนั้นเถิดเราต้องลงธัณฑกรรมนะพวกเราเนี่ยมีโทษละเพราะได้ไปเประทุศร้ายกับเด็กดังนี้แล้วก็ได้ยืนรักษาเด็กนั้น อามนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฐิก็เข้าไปสู่พระนครยังถาดโภชนะของพระราชาให้เต็มแล้วก็นําโภชนามาอามนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฐิก็เข้าไปในเมืองเลยไปเอาอาหารของพระราชาพร้อมกับถาดทองคํานั่นแหละต่อมาอามนุษย์แม่ทั้งสองก็เป็นประดุจเหมือนบิดามารดาของเด็กนั้นแล้วก็ปลุกเด็กนั้นให้ลุกขึ้นอนเทเรมตัวเป็นพ่อเป็นแม่เรียกเด็กขึ้นมาให้บริโภคโภชนะนั้นประกาศความเป็นไปแล้วจารึก อักษรที่ถาดโพชนะด้วยอนุภาพของยักษ์อธิษฐานว่าพระราชาเท่านั้นจงเห็นอักษรเหล่านี้คนอื่นจงอย่าเห็นดังนี้แล้วจึงไปในวันรุ่งขึ้นพวกราชบุรุษก็ทำความโกลาหลอยู่ว่าพวกโจรลักเอาพันดะจากราชตระกูลไปแล้วนะโโจรนี่ขโมยถาดพระราชาไปไงถาดข้าวด้วยจึงปิดประตูทั้งหลายแล้วก็คนดูเมืองก่อนมันไม่ใหญ่เท่าไหร่นะให้ทหารเกรนมา คนดูทุกบ้านไม่เห็นในพระนครจึงออกจากพระนครตรวจดูข้างโน้นข้างนี้เห็นถาดอันเป็นวิการแห่งทองคําบนเกวียนที่บรรทุกฟืนจึงจับเด็กนั้นด้วยสําคัญว่าเด็กนี้เป็นโจรเนี่ยไปขโมยถาดพระราชามาอย่างนี้แล้วก็แสดงแก่พระราชาพระราชาเนี่ยพอได้ถาดทองคําปั๊บก็เห็นอักษรทั้งหลายพระราชามองเห็นปั๊บอ่านออกเลยว่าเออนี่อะไรกันพ่อพระราชาถามเด็ก เด็กนั้นก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพข้าพระองค์ไม่ทราบมารดาบิดาของข้าพระองค์มาให้บริโภคในเวลาราตรีแล้วก็ได้ยืนรักษาอยู่ข้าพระองค์คิดว่ามารดาบิดารักษาอยู่จึงไม่มีความกลัวเลยจึงเข้าถึงความหลับแล้วข้าพระองค์ก็ทราบแถวนี้แหละก็คือตื่นมากินอาหารแล้วก็พ่อแม่ดูแลก็หลับต่อแค่นั้นแนหะไม่รู้เรื่องอย่างอื่นไม่รู้ ครั้งนั้นมารดานและบิดาของเด็กนั้นได้ไปสู่ที่นั้นแล้วพระราชาก็ทราบความเป็นไปนั้นแล้วก็เลยพาคนทั้งสามนั่นแหละไปสู่สำนักของพระศาสด า, ศาพระราชากราบทูลความเป็นไปทั้งปวงแล้วก็ทูลถามว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญพุทธานุสติเท่านั้นย่อมเป็นคุณชาติเครื่องรักษารหรือหนอแลอนะเจริญพุทธคุณมากๆเนี่ยรักษาได้เลยหรือมีอย่างอื่นอีกไหม หรือว่าอนุสติอื่นมีธรรมานุสติเป็นต้นก็เป็นคุณชาติเครื่องรักษาคือพระเจ้าพิมพิสารอนะามลำดับนั้นภาษาสดาฐะตัสแก่พระราชานั้นว่ามหาบาพิษพุทธานุสติอย่างเดียวเท่านั้นเป็นคุณชาติเครื่องรักษากาหามิได้ก็จิตอันชนเหล่าใดอ บ, บรมดีแล้วโดยฐานะหกกิจ ด, ด้วยการรักษาและการป้องกันอย่างอื่น หรือด้วยมนและโอสดย่อมไม่มีแก่ชนเหล่านั้นนะถ้ามีคุณธรรมทั้งหกประการเนี่ยนะตามระลึกนึกถึงธรรมะหกอย่างนี้แล้วพระองค์ก็แสดงฐานะหว่าสติของชนเหล่าใดเป็นไปแล้วในพระพุทธเจ้าเป็นนิดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนชนเหล่านั้นเป็นสาวกของพระโคดมตือนอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่อ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 ชนเหล่านั้นเป็นสาวกของพระโคดมตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่ออันก็คือมีสติตามอยู่ในตามระลึกในคุณของพระพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์แล้วก็เจริญกายคตาสติเนี่ยนะสติเนี่ยเป็นไปในสีอย่างนี้แล้วก็ใจเป็นไปกับกรุณาพรหมวิหารใจเป็นไปกับเมตตาพรหมวิหาร คนเหล่านั้นแหละเป็นผู้ที่ตื่นอยู่ในการทุกเมื่อมะงั้นเถอะทีนี้อธิบายว่าสุ ป, ปะผู้ทางปะพุชันติความว่าคนเหล่านั้นยึดสติอันตันไปแล้วในพระพุทธเจ้าหลับอยู่นั่นเทียวเมื่อตื่นชื่อว่าตื่นอยู่ด้วยดีคือก็หลับอ่ะนะก่อนหลับก็เจริญพุทธานุสติเป็นต้นพอตื่นขึ้นมาปั๊บก็เจริญพุทธานุสติต่อไอ้ช่วงที่หลับนั้นก็เรียกว่าตื่นด้วย บาทพปคถาว่า ส, สดาโคตมะสาวกาความว่าเชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคโดมเพราะความที่ตนเป็นผู้เกิดแล้วในที่สุดแห่งการฟังธรรมแห่งพระพุทธเจ้าผู้โคตมะโคดคือพระพุทธเจ้าเนี่ยคล้ายๆว่านามสกุลน่ยนะนามสกุลของพระองค์เนี่ยโคตมะโคดเหมือนกันเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าพระโคโดมเรียกตามตามตระกูลหรือนามสกุลเหมือนกันเพราะความเป็น คืออันฟังอนุสาสนีของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแหลที่เป็นสาวกก็เพราะเกิดในที่สุดแห่งการฟังธรรมคือได้ได้ฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมอย่างงี้แหละเชื่อว่าเป็นสาวกของพระองค์คำว่าสาวกเนี่ยใช้กับใช้กับใครสุปฏิปันโนพระควโตสาวกาสังโคต้องใช้กับผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบั ต, ต, บติเป็นต้นนะจึงจะชื่อว่าเป็นเป็นสาวก แต่ถ้าหากว่ายังไม่ดีจริงๆก็เป็นพุทธบริษัทไปก่อนเป็นสาวกกับเป็นพุทธบริษัทนี้เป็นสาวกเนี่ยลึกซึ้งนะเป็นสาวกเนี่ยในขนาดระดับเป็นพระอริยเจ้านั่นแหละแต่ถ้าหากว่าเราประมาทเมื่อไหร่เราก็ตกแต่ถ้าเป็นพระสาวกแล้วเนี่ยจะไม่มีตกจะไม่มีเสื่อม